ที่สิชาวโลกทิพย์ทำงานกันอย่างไรบ้างเท่าที่บรรยายมาแล้วตั้งแต่ต้นนั้นข้าพเจ้าหวังว่าคงจะพอทําให้ท่านเข้าใจได้ดีว่าโลกทิพย์มิได้เป็นโลกแห่งความเกียดคร้านและชาวโลกทิพย์มิได้เสวยสุขหรือสวดมนต์ภาวนากันถ่ายเดียวอันที่จริงชาวโลกทิพย์ทุกคนทําการงานกันยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายดังเช่นในโลกมนุษย์เราทำงานกันด้วยใจรักในงานนั้นเพราะไม่มีการบังคับให้ต้องทำโดยฝืนใจหรือเพื่อเป็นการหาเลี้ยงชีพแต่อย่างใดปัจจัยสคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกมนุษย์นั้นบัดนี้ไม่มีความหมายสาหรับเราแต่อย่างใด ยิ่งอยู่ท่านที่เคยทำงานบางอย่างในโลกมนุษย์มาแล้วเมื่อเข้าสู่โลกนี้ในบางครั้งก็อาจจะปรากฏว่างานเดิมของท่านนั้นไม่สามารถจะทำต่อได้ในที่นี้ในกรณีเช่นนี้ท่านเหล่านั้นก็อาจเลือกงานอย่างอื่นทำได้ตามอัธยาศัยส่วนงานบางประเภทเช่นงานด้านการคนา้นคว้าทางวิชาการประเภทต่างๆ หรือการดนตรีเป็นต้นนั้นท่านอาจจะทำการค้นคว้าต่อไปได้อย่างเสรีและด้ยความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิมณนะที่นี้วัตถุ ด, ดิบสำหรับท่านจะมีอยู่อย่างพร้อมบริบูรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สาหรับทดลองต่างๆท่านก็สามารถจะสร้างสารรค์ขึ้นได้ตามความต้องการอันที่จริงการค้นคว้าทางวิชาการเหล่านี้ เราได้ดำเนินงานไปไกลกว่าโลกมนุษย์มากทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และอื่นๆการค้นคว้าดังกล่าวนี้เราได้กระทำไปหาใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะไม่เพราะความประสงค์ที่แท้จริงนั้นก็คือเพื่อประโยชน์ของชาวโลกนั่นเองแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าถึงแม้เราจะค้นคว้าก้าวหน้าไปมากมายเพียงไร ก็ยังบอกให้ชาวโลกมนุษย์ทราบไม่ได้เพราะเราทราบดีว่าสภาวะแห่งจิตของมนุษย์ยังไม่พร้อมที่จะรับรู้ความจริงบางประการเมื่อว่าโดยจิตใจแล้วชาวโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็เปรียบเสมือนเด็กๆนั่นเองแต่เป็นเด็กที่มีเจตนารมอันเป็นเสรียอยู่ในตัวในกรณีเช่นนี้ถ้าเด็กนั้นมีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือ สามารถนาไปใช้ทางใดทางหนึ่งก็ได้ตามอำเภอใจเช่นนี้แล้วก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นๆเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าผู้มีสภาพจิตเป็นเด็กๆเช่นนั้นจะขาดความยังคิดหรือเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาเมื่อใดซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วโลกก็จะต้องถึงความพินาศกันหมดสิน้นในทางแพทย์ก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่เคยเป็นแพทย์มาก่อนก็มาทําการค้นคว้าต่อได้ณที่ดีและท่านก็จะเห็นว่างานค้นคว้าเช่นนี้เป็นเรื่องช่วยชาวโลกมนุษย์โดยเฉพาะเพราะในโลคทิพย์เช่นนี้เรื่องโครคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายนั้นไม่มีปัญหาอันใดสําหรับพวกเราเลยท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็จะขอบอกว่าวงการแพทย์ของชาวโลกมนุษย์ โดยเฉพาะสัญญกรรมและสายแรงบันดาลใจจากโลกทิพย์อยู่ไม่น้อยกล่าวอีกนยหนึ่งก็หมายความว่าสัญญแพทย์ของโลกทิพย์ได้ช่วยจับมือสัญญแพทย์ที่เป็นมนุษย์ทำให้เขาได้ประสบความสาเร็จในการผ่าตัดมาเสียนักต่อนักแล้วนายแพทย์ของชาวโลกมนุษย์ส่วนมากคงจะหัวเราะย่อความจริงข้อนี้ก็เป็นได้ แต่นั่นก็ไม่ทำให้พวกเขาน้อยใจหรือท้อถอยแต่อย่างใดเราถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นกุศลกรรมที่ทุกคนควรจะต้องทำในเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้ตามกำลังความสามารถเราต้องการแต่เพียงผลของงานเท่านั้นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะรู้และแสดงความขอบใจต่อเราหรือไม่นั้นไม่เป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างใด แต่นายแพทย์ชาวโลกมนุษย์เหล่านั้นเมื่อได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้แล้วก็จะได้ทราบความจริงดังกล่าวด้วยตนเองเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นตัวอย่างส่วนน้อยของการทำงานในโลกทิพย์โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์แต่ก็ยังมีงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นงานอันเป็นหน้าที่ของชาวโลกทิพย์โดยเฉพาะเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง ต้องใช้แรงคนเป็นจำนวนมากมายงานนี้คืองานรับดวงวิญญาณของมนุษย์ผู้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์และแนะนำให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นไปใหม่ของตอนนั่นเองงานประเภทนี้เป็นงานหนักมากโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เพราะชาวโลกมนุษย์ขณะนี้ส่วนมากเหลือเกินไม่มีความรู้ และไม่ยอมรู้สภาพความเป็นไปในชาติหน้าของตนเสยียเลยในสภาพจิตของเขามีแต่ความดื้อดึงไม่ยอมเชื่อในสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงา น, นแผนกนี้จึงต้องทำงานหนักมากกว่าจะขจัดความหลงผิดของชาวโลกมนุษย์ลงได้แต่ละรายวิญญาณของชาวโลกมนุษย์ซึ่งได้พลากจากกายเนื้อ และถูกนำมาสู่ที่นี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นมีจำนวนมากมายเหลือเกินส่วนมากก็ล้วนมีความหลงผิดในเรื่องเช่นนี้มาแล้วทั้งสิน้นเมื่อนำมาสู่ห้องพักฟื้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นแล้วบรรดาแพทย์และพยาบาลผู้มีหน้าที่คอยดูแลวิญญาณเหล่านี้ก็ต้องทำงานกันอย่างหนักทั้งก่อนที่วิญญาณ น, นั้นจะรู้สึกตัว และหลังจากที่ได้กลับรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาแล้วอีกระยะหนึ่งนอกจากนั้นเนื่องจากการตายของชาวโลกมนุษย์มีหลายอย่างหลายประเภทเช่นบ้างก็ตายด้วยโรคซึ่งไม่ทรมานมากมายนักบ้างก็ตายด้วยโรคซึ่งเต็มไปด้วยความทรมานมากและบ้างก็ตายโดยปัจจุบันทันด่วนไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รองรับสภาวะใหม่เลย การปฏิบัติต่อวิญญาณต่างประเภทและต่างอัธยาศัยเช่นนี้จึงต้องมีวิธีต่างๆกันอาคารประเภทนี้ต้องขยายออกไปอีกเรื่อยเพื่อรับวิญญาณของผู้หลงผิดซึ่งจะมีจำนวนแออัดยัดเยียดมากขึ้นทุกวันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่หยุดหย่อนอันที่จริงคิดแล้วก็เป็นการน่าละอายและน่าสังเวชเหลือเกิน ที่ชาวโลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้แม้จะมีความเจริญในทางด้านวัตถุสักเพียงไรก็มีจิตใจโง่เขลาเสมือนกับเด็กๆไม่รู้เดียงสาชนนั้นด้วยเหตุดังกล่าวมาเราจึงต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ของเราเสียก่อนที่จะส่งออกไปปฏิบัติการได้เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องถูกวิญญาณของชาวโลกมนุษย์จู้จี้ซักถามอย่างหน้าเวียนหัว ถึงสภาวะความเป็นไปของโลกทิพย์ว่าเขาจะยอมรับเชื่อว่าเขาได้ตายมาแล้วจริงๆเพราะส่วนมากมักจะยังคงคิดว่าตนได้หายโรคหายภัยแล้วและยังคงอยู่ในโลกมนุษย์ตามเดิมแต่พอบุคคลเหล่านี้ได้เกิดความเชื่อถือแล้วก็จะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากมายและต่อจากนั้นก็เกิดความกระตือรือร้น อยากจะกลับไปหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งโลกมนุษย์เพื่อบอกให้ทราบว่าตนได้มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์กว่าชีวิตในโลกมนุษย์ใช้ด้วยซ้ำทั้งทั้งที่ได้ตายมาแล้วยังมีงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีขอบเขตใหญ่โตและกว้างขวางมากมีอาคารที่ทำงานใหญ่โตมหโหราลเช่นเดียวกันงานประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสำนวนของชาวโลกมนุษย์ ก็เห็นจะพอเทียบกันได้กับงานประชาสัมพันธ์และสารบัญรวมกันฟังฟังดูอาจจะน่าขบขันอยู่บ้างสำหรับท่านที่ถือคติในใจโมเมเอาว่าชาวโลกทิพย์ไม่ควรจะต้องทำอะไรนอกจากสวดมนต์ไหว้พระหรือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาบางท่านอาจจะไม่รู้สึกขบขันนักแต่ก็คงจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นการเหลือเชื่อเอามากๆ ที่โลกทิพย์จะต้องมาทํางานจุกจิกเช่นนี้ท่านจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็ขอยืนยันว่ามีความจริงอยู่เช่นนี้จริงๆท่านคงจะสงสัยว่างานประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรของใครข้าพเจ้าขอกล่าวว่าก็เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของพวกท่านชาวโลกมนุษย์นั่นเอง แม่งานสารบันหรือทะเบียนประวัติต่างๆก็จะเป็นการจดทะเบียนประวัติของพวกท่านชาวโลกมนุษย์อีกเหมือนกันเช่นถ้ามีผู้ต้องการทราบว่ามิตรสหายหรือญาติพี่น้องของตนชื่อนั้นชื่อนั้นอยู่หน้าสถานที่นั้นๆกําลังมีความสุขดีหรืออย่างไรกําลังประกอบกรรมอันเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรและจะผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้อย่างใดหรือเมื่อไหร่ ก็จะขอทราบได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานนี้ข้อความที่จะบอกให้นั้นเป็นอันรับรองได้ว่าไม่มีผิดพลาดนอกจากนั้นผู้ที่เข้ามาสู่โลกทิปนี้ใหม่หากต้องการสอบถามถึงผู้ที่คุ้นเคยรู้จักกันซึ่งผ่านเข้ามาสู่โลกทิปนี้ก่อนแล้วก็จะถามได้จากที่นี้เช่นเดียวกันอันที่จริงเท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงงานในสถานที่นี้เท่านั้นในเรื่องอื่นๆเช่นหากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างพวกเราชาวโลกทิพย์ด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากง่ายเพียงใดในเมื่อไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้ น, น, นได้ด้วยตนเองแล้วเราก็อาจจะมาสอบถามหาความรู้เพิ่มเติมได้ณที่นี้เสมอในยามปกติ สถานที่ทำงานเช่นว่านี้ก็มีงานทำพอสมควรแต่ในเวลาพิเศษเช่นในขณะที่เกิดสงครามในโลกมนุษย์มีผู้คนล้มตายกันมากมาเช่นนี้พวกเราก็ต้องระดมกำลังกันทำงานหนักกว่าปกติในกรณีเช่นนี้เราจะทราบได้จากที่นี้ว่ามีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปรับวิญญาณของใครที่ไหน และรับมาแล้วจะพาไปไหนเป็นต้นตอนนี้จะเป็นโอกาสที่บิดามารดาและบูดบ้างญาติพี่น้องบ้างที่ได้พลัดพรากจากกันมาก่อนนั้นจะมีโอกาสได้พบปะ ก, กันและถามทุกสุขกันด้วยความยินดีเป็นการใหญ่ความรู้ล่วงหน้าที่ว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เมื่อใด น, นั้นเทพเจ้าเองก็ยังไม่มีความสามารถพอในเรื่องนี้ เท่าที่ได้ทราบก็ปรากฏว่าจะมีท่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปทราบได้ล่วงหน้าก่อนท่านผู้นั้นก็จะบอกให้สำนัก ง, งานประชาสัมพันธ์เช่นว่านี้และบรรดาแพทย์ที่ประจำอยู่ที่สถานพักฟื้นของมินยานให้ทราบก่อนต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สำนัก ง, งานประชาสัมพันธ์กลางก็จะได้จัดแบ่งหน้าที่กันไปเป็นพว ก, พวก เพื่อให้ไปทำหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่เหตุการณ์ น, นั้นจะเกิดขึ้นการพบปะกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์การตายจากโรคมนรดมาเกิดใหม่ในโลกทิปนั้นแม้จะต้องเป็นการพัดพลากจากบุตรภันยาและญาติพี่น้องทางโลกมนรดมาบ้างก็ตามแต่ก็มีส่วนอื่นชดเชยได้คุ้มกันคือเราสามารถจะได้พบปะ กับบุคคลที่ล่วงลับมาก่อนเราได้อย่างสนิทสนมเหมือนเช่นเดิมเพราะไม่ว่าเราจะนึกถึงผู้ใดถ้าผู้นั้นอยู่ในภูมิที่พอจะมาหากันได้แล้วก็จะได้พบปะกันทันทีนอกจากนั้นสภาวะของโลกทิพย์อันมีสิ่งประการตาแปลกแปลกใหม่ๆผิดกว่าโลกมนุษย์นั้นก็จะทําให้ผู้มาใหม่ตื่นเต้นคือต้องเสียเวลาซักไซ้ต่ายถาม และสำรวจชมภูมิประเทศกันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในจํานวนบุคคลที่ได้ร่วงรับมาสู่โลกทิพก่อนเรานั้นมีปัญหาหน้าคิดอยู่ประการหนึ่งคือบุคคลที่มีชื่อเสียงใหญ่โตในประวัติศาสตร์ของโลกนั้นเวลานี้ยังอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าขอตอบว่าบุคคลเหล่านั้นมีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ต้องทนทุกทรมานอยู่ในภูมิอันหาความเจริญมิได้ทั้งที่ปรากฏว่าเขามีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์บุคคลเหล่านี้ได้อยู่ในอบายนรกเช่นนั้นมาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีแล้วและคงจะต้องอยู่ต่อไปอีกไม่ทราบว่ากี่ร้อยกี่พันปีบางท่านก็อยู่ในภูมิซึ่งสูงกว่าข้าพเจ้ามาก และบางท่านก็อยู่ในภูมิเดียวกันกับข้าพเจ้าได้พบปะสนทนากันเป็นอันดีท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าเราได้เดินกระทบไหลกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในทางประวัติศาสตร์ผู้ซึ่งได้ตายจากโลคมนุษย์มาก่อนหน้าข้าพเจ้าหลายร้อยหรือหลายพันปีมาแล้วจริงๆท่านเหล่านั้นยังคงมีชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสมบูรณ ได้พบกันคุยกันเหมือนดังกับบุคคลที่เกิดในสมัยเดียวกันโลกทิพนี้เป็นเสมือนที่รวมแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างแท้จริงการพบปะบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่มีความลำบากเหมือนดังในโลกมนุษย์แต่อย่างใดในที่นี้ไม่มีชั้นสูงชั้นต่ำไม่มีพิธีกรรมหรือการสวมหน้ากากหรือยอศักด์ดังเช่นในโลกมนุษย์เลย ท่านเหล่านั้นแม้จะเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาอย่างใดก็ถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความประณนียดแห่งจิตยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกับชาวโลกทิพย์ผู้อื่นด้วยเหตุดังกล่าวมาท่านจึงถือว่าเราทั้งหมดเป็นพี่น้องหรือญาติสนิทโดยธรรมนั่นเองในทางกลับกันบุคคลผู้ประกอบกรรมอันเลวทรามไว้เมื่อตายจากโลกมนุษย์ไปสู่อบายภูมิแล้ว แม้เขาจะเคยมีอํานาจวาสนาอันยิ่งใหญ่มาอย่างใดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะคุ้มครองเขาได้เลยแม้แต่น้อยบุคคลบางคนเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์อาจเป็นคนไม่มีชื่อเสียงแต่อย่างใดเขาอาจจะได้ตายจากโลกมนุษย์มาอย่างเงียบๆโดยไม่มีผู้ใดรู้ก็ได้แต่ถ้าเขาได้ประกอบกุศลกรรมมีจิตอันประณีตเพียงพอแล้ว เขาจะได้ประสบการต้อนรับในโลกทิพย์อย่างมหโฬานชนิดที่เขาไม่ได้เคยคิดมาแต่ก่อนเลยหลักการของชาวโลกทิพย์มีอยู่ประการเดียวเท่านั้นคือเราวัดความดีเลวของบุคคลกันด้วยความประนีตแห่งจิตของเรานั่นเองความเกี่ยวข้องระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์เรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์นี้เป็นเรื่องลึกลับ ที่เข้าใจผิดกันมาเป็นเวลานานทั้งในฝ่ายผู้ที่เชื่อว่าไม่มีโลกทิปและแม้ในฝ่ายที่เชื่อว่ามีด้วยสำหรับพวกแรกที่เชื่อว่าไม่มีนั้นไม่เป็นอันต้องกล่าวแต่อย่างใดแต่สำหรับบุคคลประเภทหลังที่เชื่อว่ามีโลกทิปอยู่จริงแต่ไม่เชื่อว่าโลกทั้งสองนี้จะติดต่อกันได้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งพวกนี้ โดยมากก็ถือหลักทึกทักเอาง่ายๆว่าชาวโลกทิพย์ย่อมเป็นเทวดามีความสุขสมราญเหลือล้อนอยู่แล้วคงไม่มีเวลานึกถึงหรือมาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องทางโลกมนุษย์ได้เป็นแน่อันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าชาวโลกทิพย์ทั้งหมดจะต้องรู้ความเป็นไปของโลกมนุษย์หรือมาติดต่อกับมนุษย์อยู่เสมอไปท้งนี้เพราะ สำหรับผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องทำกิจการงานเรื่องอื่นเพลินไปบ้างท่านเหล่านี้อาจจะนึกถึงญาติพี่น้องทางโลกมนุษย์บ้างเหมือนกันแต่ก็คงจะเป็นนานๆครั้งแต่สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องมาติดต่อกับโลกมนุษย์โดยเฉพาะแล้วก็เป็นของแน่นอนที่จะต้องรู้ความเป็นไปในทางโลกมนุษย์อยู่เสมอ เทพประจําตัวบุคคลที่เกิดมาในโลกทุกคนจะต้องมีเทพประจําตัวอยู่ด้วยเสมอไปคนในสมัยโบราณดูเหมือนจะรู้ความจริงข้อนี้ดีจึงได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ซึ่งพวกมนุษย์ส่วนมากในปัจจุบันมักเห็นกันว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเรื่องเทพประจําตัวมนุษย์นี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของชาวโลกทิพย์ เทพประเภทนี้มาจากบุคคลทุกชาติทุกภาษาในโลกมนุษย์มีทั้งชาวตะวันออกชาวตะวันตกตลอดจนถึงชนเผ่าอเมริกันอินเดียนแต่ส่วนมากมักเป็นชาวตะวันออกทางนี้เพราะชาวตะวันออกโดยทั่วไปมีพื้นอัทรยาศัยและความสามารถในทางนี้ดีกว่าชาวตะวันตกท่านเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งเหมือนกันทั้งสิน้นคือเป็นผู้มีอำนาจจิตสูงและสามารถรอบรู้ธรรมชาติความเป็นไปของโลกทั้งสองคือโลกมนุษย์และโลกทิพย์ได้เป็นอย่างดีเทพพวกนี้มีภูมิเป็นที่อยู่ของตนเองเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งส่วนการที่จะให้เทพองค์ไหนไปประจําตัวมนุษย์คนไหนนั้นก็ถือหลักว่าจะต้องคัดเลือก ผู้ที่มีอุปนิสัยหรือจริตเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่ตนจะไปคอยรักษานั้นท้งนี้เพื่อจะได้มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและสามารถดนใจบุคคลที่ตนประจำรักษาได้ดีขึ้นส่วนมากแทบพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ก็เคยได้ทำความเพียนมาแล้วเคยทำความผิดพลาดล้มเหลวและได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นมาแล้ว จึงรู้จิตใจและท่าทีของผู้ที่ตนรักษาได้ดีสามารถเข้าใจว่าควรจะช่วยเหลือหรือห้ามปลามบุคคล น, นั้นๆในเวลาใดและด้วยวิธีใดบ้างในงานศิลปะประเภทต่างๆเทพพวกนี้มีส่วนช่วยเหลือในการดลจิตใจศิลปินประเภทนั้นๆให้บรรลุผลสาเร็จดียิ่งมาแล้วเป็นจานวนไม่น้อยทั้งนี้ เทพผู้เคยมีอาชีพประเภทใดมาก่อนก็มักจะเข้าทำการคุ้มครองรักษาบุคคลผู้มีอาชีพประเภทนั้นซึ่งสามารถทำให้งานของบุคคลนั้นบรรลุผลสมความมุ่งหมายดีขึ้นกล่าวโดยทั่วๆไปเทพผู้รักษาตนนี้ย่อมรู้ดีว่าจุดอ่อนของมนุษย์ผู้นั้นอยู่ที่ไหนและมนุษย์ผู้นั้นมีส่วนดีในแง่ไหนบ้าง ทั้งนี้ก็เพราะตนได้เคยผ่านอุปสรรคและความสำเร็จเช่นนั้นมาแล้วนั่นเองบุคคลที่ทำความเพียรทางจิตเป็นจำนวนไม่น้อยจะได้มีโอกาสเห็นและสนทนากับเทพที่รักษาตนได้ในกรณีเช่นนี้จะทำให้เทียผู้นั้นเกิดความปีติยินดีเป็นที่ยิ่งท้งนี้เพราะเป็นธรรมดาเมื่อทั้งสองฝ่ายรู้ว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันได้อย่างไรแล้วก็จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินว่าส่วนมากเทพผู้รักษามนุษย์ต้องทำหน้าที่ของตนไปโดยอีกฝ่ายหนึ่งหารู้ตัวไม่ในกรณีเช่นนี้เมื่อกระแสจิตของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีการติดต่อกัน ความช่วยเหลือหรือการดนใจอย่างหนึ่งอย่างใดก็ทำได้โดยความยากอย่างยิ่งบ่อยครั้งเทพผู้รักษามนุษย์ต้องเศร้าสลดใจในการที่ไม่สามารถจะห้ามบุคคลที่ตนรักษาไว้นั้นไม่ให้กระทําผิดพลาดได้ทั้งนี้เพราะบุคคลนั้นไม่ยอมเชื่อหรือรับรู้ในความจริงข้อนี้ซะเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดความสามารถ ที่แทบผู้หวังดีจะช่วยเหลือได้นอกจากทนดูความผิดพลาดของบุคคลนั้นต่อไปอย่างเงียบๆจนกว่านานๆครั้งจึงจะได้โอกาสสักคราวหนึ่งที่บุคคลผู้หลงผิดเหล่านี้เมื่อมารู้ความจริงในภายหลังก็จะพากันคร่ำครวญถึงความโง่เขลาและความดื้อดึงของตนอย่างน่าเสียดายยิ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะมีหลักอยู่ว่า มนุษย์ทุกคนมีเจตนารมณ์อันเป็นเสรีของเขาเองอยู่เสมอทั้งนี้หมายความว่าหากเขามีความตั้งใจยอย่างแน่วแน่อย่างหนึ่งอย่างใดลงไปแล้วจะเป็นไปในทางดีหรือชั่วก็ตามย่อมไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางเขาไว้ได้หน้าที่ของเทพผู้รักษามนุษย์ก็มีอยู่แต่เพียงว่าช่วยโดนใจให้เขาดําเนินไปในทางที่ดีที่ชอบ ช่วยห้ามปลามจิตใจเขาไว้ไม่ให้ตกเป็นทาสของความชั่วและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรืออุปสรรคบางประการเท่านั้นมนุษย์จะยินยอมรับแรงดลใจหรือปฏิเสธไม่ยอมรับเลยก็ได้เพราะถึงอย่างไรอย่างไรเขาก็มีเจตนารมอันเป็นเสรีของเขาเองและเขาก็จะต้องรับผลแห่งกรรมที่เขาได้ทำลงไปโดยเจตนารมันเป็นเสรีนั้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องเทพประจำตัวมนุษย์นี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผู้ไม่เชื่อหัวเราเยาะ ก, กันมากแต่สำหรับเราชาวโลกทิพย์ถือว่าความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่เสมอไปและได้เห็นประจักษ์มานักต่อ น, นักแล้วว่าผู้ที่หัวเราเยาะเหล่านั้นเมื่อได้มารู้ความจริงในภายหลังเขาแล้วจะต้องรู้สึกสลดใจ ในความอวดฉลาดของตนเป็นอย่างยิ่งทุกรายไปความจริงข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าชาวโลกมนุษย์จะได้รับแรงดลใจโดยผ่านทางเทพผู้รักษาตัวอย่างเดียวเท่านั้นเพราะชาวโลกทิพย์ได้พยายามติดต่อกับชาวโลกมนุษย์หลายต่อหลายทางด้วยกันเราได้ดําเนินการเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งในทางส่วนตัวและในทางส่วนรวม คือเกี่ยวกับประเทศชาติของเขาด้วยเหมือนกันแม้ในกิจการของสังคมประเภทต่างๆเราก็ได้พยายามช่วยเหลืออยู่เสมออาจกล่าวได้ว่าหากไม่ได้รับแรงส่งของโลกทิพย์แล้วความสำเร็จของชาวโลกมนุษย์คงจะไม่มีถึงขนาดนี้เป็นแน่ปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆของโลกมนุษย์ทั้งในส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่ก็ตาม ย่อมได้รับความช่วยเหลือแก้ไขจากชาวโลกทิพย์ไม่มากก็น้อยแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ทางาศาสนาของโลกมนุษย์หรือออร์ทดอกเชิร์ชพยายามปฏิเสธความจริงเรื่องนี้อย่างแข็งขันหากมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกทิพย์ขึ้นมาเมื่อใดทางาศาสนาก็มักจะหาความเอาง่ายๆ ว่าเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจมารร้ายมาแกล้งมนุษย์ไปสมุมดน่าสังเวชอย่างยิ่งที่นักบวชผู้โงเ่เขลาเหล่านี้ได้นำประชาชนให้หลงเข้าใจผิดจากทํานองคลองธรรมมาเป็นเวลา น, านานนักหนาแล้วท่านดื้อดึงถือคติอยู่ว่าชาวโลกทิพย์หรือชาวสวรรค์ก็ควรจะต้องอยู่แต่ในถิ่นของตนทากิจคือสวดมนต์ภาว น, นาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าอยู่ โดยไม่ต้องหยุดหย่อนกันเลยแม้จะมีประจักษ์พยานถึงความจริงที่ว่าชาวโลกทิพย์ได้มีส่วนช่วยเหลือชาวโลกมนุษย์เพื่อความดีและความสงบสุขของชาวโลกมนุษย์เองท่านก็ไม่ยอมเชื่อคงถือว่าเป็นเรื่องของผีร้ายมาหลอกลวงมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นท่านเอาฤทธิ์อำนาจต่างๆไปโยนให้พวกปีศาจใช้หมดทาไมท่านจึงไม่คิดบ้างว่า เมื่อผีปีศาจหรือฝ่ายกุศลมีฤทธิ์เดชถึงขนาดนั้นแล้วเหตุใดฝ่ายกุศลจึงจะมีฤทธิ์อำนาจเทียมทันกันบ้างไม่ได้และเหตุฉไหนเทพผู้เป็นฝ่ายกุศลจึงจะมาช่วยเหลือมนุษย์บ้างไม่ได้อาจกล่าวได้ว่าหากไม่ใช่เป็นพราะความช่วยเหลือของเทพซึ่งเป็นฝ่ายกุศลคือปล่อยให้เป็นเรื่องของผีปีศาจ ต, ตามลาพัง ดังที่ท่านนักบวชเหล่านั้นคิดเอาแล้วปานนี้โลกมนุษย์ก็คงจะถึงความพินาศล่มจมไปแล้วอย่างแน่นอนจริงอยู่ในบนัดนี้เรายังไม่สามารถทำการช่วยเหลือชาวโลกมนุษย์ได้อย่างกว้างขวางนักทั้งนี้เป็นเพราะเหตุประการเดียวคือจิตใจของมนุษย์ส่วนมากยังมืดมิดเหลือเกินตาใจของเขายังบอดกันเป็นส่วนมากเขาพากันปเสเสธ ช่องทางแห่งความช่วยเหลือที่เราจะเข้าถึงได้เสียก็หมดสิน้นแต่เราก็ยังไม่หมดความพยายามเราคงดำเนินงานของเราต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกมนุษย์นั่นเองวันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงมนุษย์คงจะได้ประจักษ์ความจริงข้อนี้มากขึ้นตอนที่ยี่สิบ ภูมิสูงสุดข้าพเจ้าได้เคยกล่าวให้ท่านฟังมาแล้วสองหรือสามครั้งถึงเรื่องภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าที่ข้าพเจ้าอยู่ว่ายังมีอยู่อีกมากการเข้าไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นไปดังกล่าวนี้มีอยู่สองวิธีเท่านั้นคือประการแรกเราจะต้องอบรมจิตของตนเองให้ประณนีตสูงขึ้นกว่านี้จนถึงขนาดที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปได้เองสัก่อน ประการที่สองก็คือหากยังไม่ถึงเวลานั้นเราก็ต้องได้รับอนุญาตรวมทั้งได้รับการคุ้มกันด้วยจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเสียก่อนจึงจะผ่านเข้าไปได้ทั้งนี้ก็เป็นไปด้วยเหตุผลดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือเป็นกฎธรรมชาตินั่นเองหาได้มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือมีเขตแดนหรือขวาง้ําอย่างใดเป็นเครื่องป้องกันไว้ไม่บัดนี้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 เอ็ดวินกับข้าพเจ้ากำลังสนทนากันอยู่ เ, เรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนรูทกำลังง้วนอยู่กับการบรรเลงเพลงจากเปีย โ, โนอันโปรดปลานของเธอเสียงดนตรีจากเปียโ น, โนดังกังวานเสียงวังเวงเมื่อบวกกับทัศนียภาพอันประกอบไปได้วยทิวไม้อันเขียวชุวอุ่มเบื้องหน้าเราทำให้เกิดความสุขเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกจริง